สิกขาบทที่8ว่าด้วยการบอกสิกขามานาให้ติดตามตลอด2ปีแล้วไม่บวชให้เรื่องภิกษุณีทุลันนันทา 1,154 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศธธรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นสิกขามานารูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุณีทุลันันทาขออุปสมบท ภิกษุณีทุลนันธาได้กล่าวกับสิขามานานั้นดังนี้ว่าแม่คุณถ้าเธอจักติดตามฉันตลอดสองปีเมื่อเป็นอย่างนี้ฉันจะบวชให้เธอแล้วไม่บวชให้ไม่ควนควายชายให้บวชให้ลำดับนั้นศิขามานานั้นบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพนทนาว่าชไ น, นแม่เจ้าทุลนันธาพูดกับสิขามานาแล้วว่า